บรรดาคนที่ตายไปคนประเภทไหนที่ติดต่อได้คนประเภทไหนที่ติดต่อไม่ได้ในจำนวนคนที่เชื่อว่าโอปปปาติกามีจริงคนเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ยังมีชีวิตนั้นสูนมากมักจะเข้าใจว่าคนที่ตายไปสามารถที่จะติดต่อได้ทุกคนโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงว่า ในจำนวนคนที่ตายไปนั้นน้อยคนมากที่จะติดต่อได้ฉะนั้นคนที่มาขอให้ข้าพเจ้าช่วยติดต่อกับญาติพี่น้องที่ตายไปทุกคนที่มาก็มักจะตั้งความหวังไว้ก่อนว่าข้าพเจ้าคงจะช่วยติดต่อให้สำหรับคนที่เคยเชื่อข้าพเจ้าและเคยมาฟังคำบรรยายของข้าพเจ้าบ่อยเมื่อข้าพเจ้าบอกว่ายัางติดต่อไม่ได้ก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไร แต่สำหรับในรายที่ฟังข่าวมาจากคนอื่นว่าข้าพเจ้าติดต่อกับคนที่ตายไปได้และตัวเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะเป็นพื้นฐานอยู่เลยเมื่อข้าพเจ้าปฏิเสธว่ายังติดต่อให้ไม่ได้ก็มักจะมีปฏิกิริยาไปในทางเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นคนหลอกลวงไม่เป็นจริงดังข่าวที่เขาทราบมาซึ่งบุคคลประเภทนี้จะมาเพียงครั้งเดียวแล้วก็หายหน้าไปเลย ไม่มาติดตามคอยถามว่าเดี๋ยวนี้ติดต่อได้แล้วหรือยังและสำหรับรายที่ตัวเองมีความเชื่อมาก่อนว่าญาติพี่น้องของเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อผิดหวังจะที่นี่ก็ไปถามที่อื่นซึ่งในที่สุดบางคนก็ถูกหลอกเพราะที่สำนักบางแห่งนั้นเขามีวิธีที่จะทำให้คนที่มาไม่ผิดหวังคือถามอะไรตอบได้เสมอ ต้องการจะรู้อะไรบอกได้ทั้งนั้นเวลานี้คนที่งมงายในเรื่องนี้มีมากบางคนก็ถึงกับเสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อยอันที่จริงข้าพเจ้าไม่เป็นห่วงและไม่เดือดร้อนอะไรเลยที่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อและเป็นการดีซะอีกที่คนส่วนมากไม่เชื่อเพราะจะทำให้ข้าพเจ้าได้มีเวลาทำงานอย่างอื่นที่มีสาระมากกว่านี้ การที่ข้าพเจ้าต้องเขียนเรื่องนี้ก็เพราะข้าพเจ้าได้เสียเวลามามากแล้วในการที่ต้องอธิบายซ้ำๆซักๆว่าเหตุใ ด, ดจึงติดต่อได้เหตุใ ด, ดจึงติดต่อไม่ได้ให้คนที่มาถามฟังซึ่งเรื่องที่อธิบายนั้นก็ซ้ำๆกับที่เคยอธิบายให้คนอื่นฟังมาแล้วคิดว่าควรจะได้เขียนเรื่องนี้ไว้ให้เป็นหลักฐานเสียทีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอธิบายบ่อย ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้เรียนถามโอปปาติกะหลายท่านด้วยกันซึ่งทุกองค์ได้ให้รายละเอียดดังต่อไปนี้ก่อนอื่นท่านบอกว่าจะต้องนึกเสียก่อนว่าคนที่ตายไป น, นั้นคือคนที่เกิดใหม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอันใหม่เพราะฉะนั้นจะให้มีอะไรเหมือนกับคนที่อยู่ในโลกมนุษย์เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่าเอาความเคยชินจากโลกมนุษย์ ไปใช้กับผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะขอให้นึกถึงตัวเองเมื่อมาเกิดในโลกนี้เราก็ลืมความหลังกันทั้งหมดไม่สนใจในเรื่องที่ผ่านมาแล้วแล้วเราทุกคนก็มีเรื่องใหม่มีปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องทำที่จะต้องสนใจอยู่ตลอดเวลาคนที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะส่วนมากก็มักจะอยู่ในสภาพอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่า คนที่ตายไปแล้วจะขอให้เข้ามาติดต่อกับมนุษย์ได้ง่ายๆโดยธรรมดาผู้ที่ตายไปที่สามารถจะมาติดต่อกับมนุษย์ได้ง่ายนั้นข้อสำคัญก็คือเวลาจะสิ้นใจมีสติคือรู้ตัวว่าจะต้องตายและก็เต็มใจที่จะตายปล่อยวางได้คือไม่เป็นห่วงถึงชีวิตที่จะต้องดับ ไม่เป็นห่วงที่จะต้องพลัดพรากจากญาติพี่น้องจากทรัพย์สมบัติและเป็นคนที่มีความเชื่ออยู่แล้วว่าตายแล้วจะต้องเกิดอีกตายแล้วไม่สูญบุคคลประเภทนี้เมื่อตายไปแล้วมีโอกาสที่จะติดต่อได้ง่ายเพราะบุคคลประเภทนี้เมื่อตายไปแล้วจะไม่ได้รับความทรมานการตายเป็นการพ้นทุกข์จริงๆแต่ถึงกระนั้น ก็ควรจะรู้ไว้ด้วยว่าคนที่ตายไปในลักษณะที่เป็นสุขเช่นนี้เมื่อตายไปแล้วก็มักจะไปสวยสุขอยู่ในสวรรค์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์เลยบุคคลประเภทนี้ในระยะแรกๆก็จะไม่นึกถึงโลกมนุษย์เพราะว่าสิ่งที่สวยงามสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่ไม่เหมือนกับในโลกมนุษย์ทาให้คนเหล่านี้มีความสนุกเพลิดเพลินจนลืมนึกถึงความหลัง และเขาเองก็คิดว่าไม่นานเท่าไรที่เที่ยวชมที่นั่นที่นี่แต่เมื่อ น, นับเวลาในโลกมนุษย์แล้วอาจจะกินเวลาเป็นปีๆหรือนับเป็นสิบปีก็ได้ทางนี้สุดแล้วแต่พื้นฐานในทางจิตใจกล่าวคือถ้าคนไหนไม่ว่าจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างไรก็ตามอดนึกถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องอดนึกถึงบุคคลใ น, นครอบครัวไม่ได้ เมื่อตัวเองกินอะไรได้เห็นอะไรก็อยากจะให้คนที่ตนเองรักได้กินได้เห็นอย่างนั้นบ้างสำหรับบุคคลที่มีพื้นนิสัยอย่างนี้ก็มีระยะเวลาสั้นในอันที่จะนึกถึงญาติพี่น้องซึ่งบางคนอาจจะกินเวลาหลังจากที่ได้ตายมาจากโลกมนุษย์เพียงวันเดียวหรือไม่ถึงวันก็ได้แต่บางคนก็อาจจะนานกว่านั้นแต่ถึงกระนั้นเขาก็อาจจะยังไม่มา ในเมื่อรู้สึกว่าไปแล้วไม่มีประโยชน์ไปช่วยเหลืออะไรไม่ได้ไปติดต่ออะไรไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามบุคคลประเภทนี้สักวันหนึ่งเขาคงจะต้องมาเยี่ยมญาติพี่น้องในโลกมนุษย์แต่คำว่าวันหนึ่งในที่นี้บางคนอาจจะต้องใช้เวลาถึงส0ปี20สิปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้กว่าจะมาเยี่ยมญาติพี่น้องในโลกมนุษย์ จงจำไว้ว่าสำหรับบุคคลที่กำลังสวยสุขอยู่ในดินแดนแห่งสวรรค์นั้นโดยปกติแล้วไม่อาจที่จะไปเชิญให้มาติดต่อกับญาติพี่น้องได้ถ้าหากเขายังไม่สมัครใจที่จะมาส่วนบุคคลที่นับว่าง่ายที่สุดที่จะมาติดต่อกับญาติพี่น้องก็คือเมื่อก่อนเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มาบัดนี้ได้มาอยู่กับญาติพี่น้องหรือมาเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องอยู่เสมอ ปปาติกะประเภทนี้เท่านั้นที่ติดต่อง่ายมากในจํานวนบุคคลที่ตายไปแล้วทุกวันนี้บุคคลที่มีโอกาสตายยังมีสติตายแล้วไปมีความสุขดังที่กล่าวมานี้มีไม่มากนะส่วนมากของคนที่กําลังจะตายมักจะไม่รู้สึกตัวซึ่งบุคคลประเภทนี้เมื่อเกิดในโลกของโอปปาติกะในระยะแรกๆ ก็จะไม่รู้สึกตัวเช่นเดียวกันคนที่ตายมาแล้วก็ยังหลับอยู่นี้บางคนก็อาจจะตื่นขึ้นหลังจากที่ตายภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือภายในไม่กี่วันแต่บางคนนับเป็นปีๆและบางคนก็นับเป็นสิบสิบปีและที่นับเป็นร้อยๆอยปีก็มีคือตายมาได้หลายร้อยปีแล้วก็ยังไม่ตื่นยังนอนหลับอยู่ซึ่งเรื่องอย่างนี้มนุษย์ที่ไม่เข้าใจเหตุผล ก็อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ท่านนึกซึ้งหน่อยหนึ่งว่าร่างกายของอกาปาติกะเป็นร่างกายที่เกิดจากใจหรือพูดให้ชัดเป็นร่างกายที่เกิดจากสันดานหรือเกิดจากวิบากแล้วระบบประสาทก็เป็นไปตามอำนาจของจิตใจทุกอย่างสิ่งเราภายนอกไม่มีอิทธิพลเหนือเช่นตัวอย่างคนที่ตายมา ทำไมรู้สึกว่าตนเองตายแม้จะตื่นขึ้นมาแล้วยังอยู่ที่บ้านก็ตามก็จะไม่เห็นซากศพของตัวเองและบางคนถ้าจิตใจวิปริตมากอย่างที่เรียกในโลกมนุษย์ว่าเป็นโรคจิตหรือเป็นโรคประสาทอย่างแรงก็จะเห็นแต่ภาพที่จิตใจของตัวเองสร้างขึ้นมาได้ยินเสียงที่จิตใจของตัวเองสร้างขึ้นมาซึ่งทั้งภาพและเสียงเหล่านี้เป็นภาพมายา คือเห็นไปเองได้ยินไปเองเพราะเหตุที่สภาพของร่างกายขึ้นอยู่กับอำนาจของจิตใจล้วนๆเช่นนี้เพราะฉะนั้นบางคนจึงสามารถที่จะหลับอยู่ได้เป็นเวลาตั้ง 10-10 ปีหรือร้อยร้อยปีการนอนหลับในโลกของโอปปาติกะถือเป็นการพักผ่อนเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์และบางคนด้วยอำนาจแห่งวิบากของกุศล ก็อาจจะทำให้เขาต้องหลับอยู่นานที่ว่าเป็นด้วยอำนาจแห่งวิบากของกุศลก็เพราะบุคคลประเภทนี้ถ้าฝืนขึ้นมาแล้วจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากบาปกรรมที่ได้ทำไว้บุคคลประเภทนี้ก็คือพวกที่ตายด้วยอุปัตตวะเหตุหรือถูกฆ่าตายการตายด้วยอุปัตตวะเหตุก็ดีการถูกฆ่าตายก็ดี เป็นกฎตายตัวทีเดียวว่าจะต้องเนื่องมาจากวิบากของอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เช่นนั้นเขาจะตายในลักษณะ น, นั้นไม่ได้แต่เพราะเหตุที่เขาไม่ใช่มีแต่บาปในระหว่างที่เป็นคนอยู่ก็ได้สร้างกุศลไว้มากด้วยอํานาจของกุศลอันนี้เองช่วยให้เขาได้อยู่ในความสงบสุขไปได้นานเท่าที่วิบากของกุศลอันนั้นจะพึงอานวยให้ได้เพราะฉะนั้น จึงมีตัวอย่างมากมายซึ่งคนที่ตายด้วยอุปัตว่เหตุหรือถูกฆ่าตายได้นอนหลับอยู่เป็นเวลานานบุคคลประเภทนี้ก็เป็นอีกพวกหนึ่งที่จะติดต่อทันทีไม่ได้หลังจากตายคนที่ตายด้วยอุปัตว่เหตุหรือถูกฆ่าตายบางคนก็หลับอยู่ไม่นานไม่ช้าก็ฟื้นขึ้นมาพวกนี้เมื่อฟื้นขึ้นมาใหม่ ทั้งสภาพของร่างกายและจิตใจจะเหมือนกับสภาพก่อนตายแต่ถ้าเขารู้ตัวว่าเขาตายมาแล้วและมีจิตใจที่เป็นกุศลเกิดขึ้นบ้างเช่นไม่อาฆาตพยาบาทคนที่ฆ่าหรือแม้เช่นนั้นก็ปลงตกที่ตัวเองต้องตายด้วยอุปัตวะเหตุหรือถูกฆ่าตายเช่นนั้นโดยสำนึกได้ว่าเนื่องมาจากกรรมของตัวเอง สำหรับคนที่คิดได้อย่างนี้ก็มีทางจะฟื้นคืนดีได้ง่ายคือร่างกายจะหายจากสภาพความเจ็บปวดได้เร็วและถ้าหากคนไหนแม้จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองได้ตายมาจากโลกมนุษย์แล้วและบางคนแม้จะรู้สึกว่าตนเองได้ตายแล้วก็ตามแต่ก็ยังปล่อยวางไม่ได้ยังมีความอาฆาตพยาบาทอยู่ หรือเป็นห่วงคนนั้นคนนี้เป็นห่วงสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่บุคคลประเภทนี้ทั้งร่างกายและจิตใจจะฟื้นคืนดีได้ยากในกลุ่มของคนประเภทนี้บางคนก็สติเสียไปเลยคือความจำอะไรในห่นหหลังเลอะเลือนไปหมดเหมือนกับคนที่ถูกตีที่สมองไม่ถึงตายแต่ความจำเลอะเลือนสติสัมปชัญญะสูญเสียบุคคลที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้ แม้จะตามมาให้พบกับญาติพี่น้องได้แต่ก็ไม่อาจจะบอกเรื่องราวต่างต่างให้กับญาติพี่น้องได้และอีกพวกหนึ่งถึงแม้สติสัมปชัญญะจะยังดีอยู่แต่ความนึกคิดก็มักจะวิปริตไม่อยู่กับร่องกับรอยบุคคลประเภทนี้ก็หวังผลในการติดต่อได้ยาก คนที่ตายิ้วโรคภัยไข้เจ็บซึ่งในขณะที่จะสิ้นใจไม่รู้สึกตัวเมื่อมาเกิดเป็นโอปปาติกาในระยะแรกๆก็จะไม่รู้สึกตัวบุคคลประเภทนี้อาจจะหลับอยู่นานหรือไม่นานก็ตามบางคนเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วหากวิบาของอกุศลให้ผลในขณะนั้นก็จะต้องไปเสวยกรรมคือไปได้รับความลาบากอยู่ในอบายภูมิสาหรับบุคคลประเภทนี้ ก็ยากที่จะตามตัวมาให้พบกับญาติพี่น้องและบางคนที่มีบาปกรรมมากพอตื่นขึ้นมาก็จะพบว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่มีแต่การทรมานต่างๆจะไปไหนมาไหนไม่ได้โดยอิสระบุคคลประเภทนี้ก็ตามตัวมาไม่ได้คนที่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บซึ่งในขณะที่ตายแม้จะไม่รู้สึกตัวก็ตาม แต่ถ้าหากพื้นเดิมเป็นคนมีใจเป็นกุศลอยู่เสมอเมื่อตื่นขึ้นมาในโลกของโอปปาติกะก็จะพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาในถ้ำกลางของสิ่งแวดล้อมที่ทําให้มีความสบายซึ่งบุคคลประเภทนี้ข้าพเจ้าเล่าวมาแล้วว่าบางคนก็อาจจะนึกถึงญาติพี่น้องได้เร็วแต่บางคนก็นานกว่าจะนึกถึงญาติพี่น้องและสําหรับบุคคลที่ตายในลักษณะที่ไม่รู้สึกตัวนี้ บางคนก็อาจจะนอนหลับอยู่นานซึ่งในระหว่างที่หลับอยู่นี้ก็ย่อมจะติดต่อกับญาติพี่น้องไม่ได้จากตัวอย่างโดยสังเขตที่เล่ามาให้ฟังนี้จะเห็นได้ว่าบุคคลที่ตายไปแล้วที่มีโอกาสจะมาติดต่อกับญาติพี่น้องได้ง่ายและติดต่อได้หลังจากตายไม่นานนั้นท่านย้ำให้ฟังว่าไม่ใช่หนึ่งในร้อยโดยประมาณแล้ว จะต้องกล่าวว่าหนึ่งในพันหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ได้ทราบมาว่ารายนั้นติดต่อได้ก็อย่าได้เข้าใจเป็นอันขาดว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่ตายไปจะต้องติดต่อได้ง่ายๆเหมือนกับรายนั้นรายนี้ข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านอีกอย่างหนึ่งว่าแล้วก็อย่างท่าน ซึ่งมาให้คำแนะนำอยู่นี้ก็ปรากฏว่ามีหลายองค์และทำไมอย่างนี้จึงติดต่อได้ง่ายท่านอธิบายให้ฟังว่าสำหรับโอปปาติกะอย่างท่านนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งการที่ท่านมาติดต่อกับโลกมนุษย์ก็เพราะมีความเมตตาปรารถนาที่จะให้มนุษย์ได้รู้ถึงชีวิตที่ตัวเองจะต้องพบหลังจากตายและต้องการที่จะให้มนุษย์ ได้รู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักบุญรู้จักบาปซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เหมือนอย่างท่านถึงแม้จะมีมากก็จริงแต่ถ้าเทียบกับจํานวนของโอปปาติกาทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกของท่านก็ต้องพูดว่าเป็นจํานวนเล็กน้อยอย่างที่สุดไม่ทราบว่าจะคิดเป็นเปอร์เซ็ น, นต์ได้อย่างไรจะว่าหนึ่งในล้านหรือหนึ่งในโกดหรือหนึ่งในอะไรก็ตามก็ยากที่จะพูดให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ แต่ถึงกระนั้นก็อย่าลืมว่าพวกโอปปาติกะที่เต็มใจจะมาติดต่อกับโลกมนุษย์เหมือนอย่างท่านนั้นจะต้องใช้เวลาศึกษาและอบรมตัวเองแต่ละคนซึ่งถ้าคิดตามเวลาในโลกมนุษย์แล้วก็ต้องนับกันเป็นปีปีทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าเราจะติดต่อกับคนที่ตายไปแล้วได้ง่ายๆแม้จะมีบุคคลที่เป็นสื่อกลาง สามารถจะติดต่อได้ก็ตาม